พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าการศึกษามาพร้อมกับการแพทย์วันนี้เป็นวันที่7 มีนาคมพุทธศักราช2557วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วกับท่านรัตนะ็คงจะได้ไปอนุโมธนาการสร้างอาคารเรียนของคุณชัยคุณหลีคุณชัยนาศิริและวันเมื่อวานไปมอบโรงเรียนอำเภอเพน สามชั้นสิบห้าห้องเรียนแต่วันนี้จะไปมอบที่หัวขัวบ้านหัวขัวกุดสัพ์แล้วก็บ้านดุงหรือว่าน้องหานก็ไม่ทราบแลวบ้านน้องบันดุงมากเนาะอีกลงหลังหนึ่งแล้วก็โรงเรียนอําเภอหนองบงัวลำพูจังหวัดหนองบัวลําพูอีกหลังหนึ่งปีนี้สี่หลังตามไม่จริง หลวงพ่อว่าพวกขะหะโบดีมีอันจะกินควรจะมองมองการศึกษาและการแพทย์ของประเทศชาติก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะาการศึกษานก็จจำเป็นคนในชาติด้อยในการพัฒนานะในการศึกษาแล้ว่าการแพทย์ก็ทำให้ประเทศชาติล้าหลัง ได้ง่ายๆเหมือนกันอย่างเมื่อกี้นี่หลวงพ่อทราบข่าวเขาประเมินจริงหรือปลอมเขาไม่รู้เขาก็พูดกันทั่วประเทศว่าในอาเซียนของเราเนี่เป็นเราเนี่เป็นที่แปดนะโอ้แสดง ว, ว่าเราตกที่โลเขาพอสมควรเขาอาจจะถ่มตัวก็ไม่รู้ล่ะแต่ทีังไงออกมาได้ยินออกมาแล้วก็ไม่สบายใจ ในประชาคมอาเซียนการไม่จิงไทยของเราน่าจะเป็นพี่เบิ่มและเป็นจ่าฝุงออการศึกษากลับไปด้อยกว่าเขาเนี่ยมันดูดูแล้วมันยังไงแต่หลวงพ่อก็ยังไม่เชื่อหรอกแต่ไม่เชื่อก็ต้องเตรียมเชื่อไว้ประก่อนเหมือนกันนะเพราะว่าเขาประกาศออกทั่วบ้านทั่วเมืองนี่แหละ อันนี้ก็คือส่วนของการศึกษาแล้วก็การแพทย์ก็เหมือนกันการแพทย์เราดูนะก็แพทย์ของเราก็มีฝีมือแต่พอเข้าไปดูข้างในจริงๆเข้าไปดูในโรงพยาบาลจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นหลักจริงๆมันเป็นของเอกชนชะมากกว่าแต่เป็นของรัฐบาลเนี่ยดูๆแล้วรู้สึกว่า ไม่น่าอุ่นใจไปดูตามโรงพยาบาลอำเภอแต่ถ้าเราก็าไปสัมผัสแล้วก็ไปดูเข้าไปดูจริงๆเข้าไปแล้วคือทางรัฐบาลในเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่ทนี้มันคนมันป่วยมากถึงทางแพทย์พยาบาลก็อยู่ในนั้นหมดข้าบริหารจัดการอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแต่นีนดูๆแล้ว จะให้เขาซื้อเครื่องมือแพทย์ได้ยังไงมาพิจารณาดูแล้วก็เห็นแล้วก็น่าคิดนะอันนี้ก็คืออาจหลวงพ่ออาจจะคิดมากไปก็ได้หลวงพ่อไม่น่าจะคิดออกไปข้างนอกขนาดนั้นกร ะ, ะว่าแต่มันก็อย่างอดคิดไม่ได้เพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปมาหาสู่กันอยู่วัดวาศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกัน เหมือนเป็นเสาหลักของประเทศชาติเราก็อยู่ในกลุ่มของศาสนาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องมองทางพี่น้องประชาชนอีกสารทุกสุขติดยังไงที่พวกเราอยู่ด้วยกันการศึกษาเป็นยังไงการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงแนวความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิและเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างไร อันนี้มันก็ต้องได้ช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเพราะอยู่ในประเทศชาติเดียวกันถ้าว่าค่าไม่ใช่หน้าที่นาที่ไม่ใช่ค่าต่างคนก็ต่างขันหลังให้กันและประเทศชาติปันเมืองของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรในยุคที่เราเกิดมาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคน หลวงพ่อว่าน่าจะมองผู้มีอันจะกินก็ช่วยผู้มีผู้ที่ด้อยกว่าแต่ก็ต้องดูกำลังของตนเองเหมือนกันการที่จะแบกสิ่งของก็ต้องดูกำลังถ้ากำลังเราเหลือเฟื อ, อเพียงแค่นี้จิ๊บจอ่อยเราก็ช่วยเขาในจุดนั้นแต่ถ้ามาออ้มันหนักนะเนี่ยไม่ไหวแล้วเราก็รู้กำลังไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าเราเอง เานสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยควรจะช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าต่างคนก็ต่างเจาะต่างคนก็ต่างชัยเปรียบเทียบเหมือนต้นประเทศชาติเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ถ้าว่าต่างคนต่างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลออกใบเสร็จสวยงดงาม แต่ถ้าว่าคนในชาติต่างก็เป็นร่วงเป็นตัวร่วงตัวบุ้งตัวหนอนกเกาะชายต้นไม้ต้นไม้ไมจะสมบูรณ์ได้อย่างไรเนี่ยถ้าว่าพวกเราไม่ช่วยกันตนุบรมลุงต่างคนก็ต่างเกาะต่างคนก็ต่างใช้คนละเนตคนละหน่อยเอาเปรียบประเทศชาติประเทศชาติก็แกล้อะไรท่านเนี่ย ตายแหละแม้ตายแหละจะล้มทั้งยืนเอาง่ายๆอย่างบางประเทศอย่างประเทศชาติชาติไทยของเราคนนั้นปีสามสิบเก้าสี่ศประเทศไทยของเราจะล้มทั้งยืนข่าวนั้นเดือดร้อนไปทุกทุกหัวละแห่งเดือดร้อนกระทั้งหลวงตาที่อยู่ในป่าหลวงตามหาบวญได้หาทุนเข้าไปช่วยค้ำประเทศชาติเป็นพลังอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็น่นะหลายๆอย่างแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ถ้าทุกคนช่วยกันทนุบำรุงอย่างคุณชัยคุณหลีอย่างนี้ได้ช่วยถึงจะขนาดนี้ก็เถอะเขาก็ภาคภูมิใจอย่างมากแต่แล้โรงเรียนไปถามดูสิตองโรงเรียนน้ำโสมโรงเรียนา น, นา ง, งวัวโรงเรียนเอราวันเชียงคานเนะ่ท่าบอนะ ติดไปสร้างโรงเรียนให้กับเขาถามเขาถามเขาแต่ไรเขาภาคภูมิใจอย่างมากทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นแล้วดีอกดีใจอย่างที่พวกเราจะไปมอบอาคารแต่ละครั้งก็เหมือนกันเขาพร้อมอกพร้อมใจเขาดาหน้าออกมาตอนรับขับสู้ชาวบ้านก็ได้เพียงแค่นี้แหลรว่าตอนรับขับสู้ยินดีปีดา ที่ผู้มีจิตศรัทธามาสร้างให้ชุมชนของเราได้มีอาคารให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือเขาก็ดีใจเพราะเห็นแล้วเนี่ยไปเห็นเขาพี่น้องประชาชนที่เราไปมอบอะไรให้กับเขาอย่างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อย่างเเครื่องมือแพทย์อย่างน้อยนะไปมอบเครื่องมือแพทย์คนมาไม่มากเพราะไม่รู้จะทำยังไงเพราะโดยโดยมากหมอเนี่ยก็ ถ้าจะว่าไปแล้วหมอเนี่ยไม่ค่อยจะกว้างขวางเท่าไหร่ที่หลวงพ่อเข้าไปสัมผัสหมอเนี่ยเป็นคนกลุ่มแคบกลุ่มหนึ่งแต่มีศักยภาพถ้าจะว่าไปแล้วมึงกับปิดทองหลังพระอย่างนั้นอ่ะถ้าหมอดีนะถ้าหมอถ้าหมออีกส่วนหนึ่งก็อย่างว่าเหมือนกันอืแต่ถึงอยังไงเราก็ควรจะเห็นแก่พี่น้องประชาชนคนเราเหมือนกันเครื่องมือแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราให้ไป ก็ไม่ได้ให้ใครอื่นอย่างที่พวกเราไปช่วยโรงพยาบาลศูนย์อุดรหรือศูนย์ขอนแก่นหามะเร็งในระยะแรกในกระเพาะในลำไส้เราให้เครื่องมือไปแต่ทุกวนันนะี้เครื่องมือตัวนี้นะใช้กับทุกคนเลยเมีเครื่องมือตัวเดียวเท่านั้นใครไปก็เนี่ยสอดซองเข้าไปในกระเพาะในลำไส้ ไปตรวจหามะเร็งในระยะแรกมีประโยชน์อย่างมากแต่กรไม่มีเครื่องตัวนี้ทํำยังไงนู่นลงกรุงเทพเนะี่ยไปส่องกล้องคนละหกหมืนบาทเนะ่ยหลวงพ่อสืบสอบดูแล้วไปหามะเร็งเพราะปวดท้องมากนะแต่ทุกวันนี้มีเครื่องตัวนี้คือมาทั้งคอนแกนพวกเราให้เครื่องหนึ่งโนระงพยาบาลศูนย์คอนแกนเครื่องหนึ่งอุดรเครื่องหนึ่งนะเอเดี๋ยวนี้ใครไปเนะนะี่ยเครื่องตัวนี้แหละเอะสอด สองก็ไปในกระเพาะลำไส้หามะเร็งในระยะแรกทางอีสานก็เราเป็นมะเร็งตับมะเร็งลำไส้เนี่ยเยอะนาเอาเพื่อเผื่ อ, อมะเร็งปอดอีกต่างหากเพราะนั้นที่พวกเราให้เครื่องมือไปก็มีประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติแต่คนมีสุขภาพดีแล้วก็ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานหมอออกมาออกหน่วยที่อำเภอนายง เดียวของหมอตาแต่หมอตาในหลวงลวงตาให้ความสําคัญอย่างมากนะหมอตาเนี่ยที่โรงพยาบาลศูนอุดรเนี่ยลวงตาให้เครื่องมือมากทีเดียวมากกว่าทุกทุกอันหลวงตาท่านบอกว่าตาในสัมพันธ์ถ้าหากว่าตาบอดเสียอย่างเดียวต้องมีคนในบ้านหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงคนหนึ่งอยู่หนึ่งคนหนึ่งแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีถ้าตาดีอยู่ ก็ยังดูลูกดูหลานฝากลูกฝากหลานให้ดูแลได้เฝ้าบ้านได้เพราะว่าตายดีอยู่ช่วยตนเองได้ถ้าว่าตาบอดเชอย่างเดียวเท่านั้นต้องหาคนผู้หนึ่งต้องเฝ้าคนตาบอดด้วยหันตรงตาจะบอกเพราะนั้นเรื่องตาเนี่ยควรจะรักษาอย่างน้อยก็ให้ช่วยตนเองได้ท่านจึงให้เครื่องมือตาแต่ละ หลวงพ่อก็มาพูดบอกว่าถ้าเราคิดเป็นในแง่สองเนี่ยมันมีสองทุกอย่างนะถ้าว่าเรารักษาตาดีใช่ไ้มคนดีเออมันก็ทำประโยชน์อย่างมากมหาศาลแต่ถ้าว่าคนชั่วเนี่ยพอตาดีขึ้นมาไปป้นไปขโมยไปรักขโมยไปป้นไปยี้ไปทำความชั่วเสียหายตาดีมันทำความชั่วได้มากอีกเหมือนกันเออแต่เราส่วนที่ ไปทำความโชว์ของเขานะ่ะเราไม่เอาด้วยนะเราไม่เอาบุญด้วยเราไม่รับบาปด้วยแต่ว่าถ้าใกลตาดีเนะี่ยเราจึงจะรับคุณงามความดีจากเขานะการให้สร้างโรงเรียนก็เหมือนกันถ้าสร้างโรงเรียนขึ้นมาแล้วนักเรียนเขาไปเรียนหนังสือเป็นคนดีเราก็รับบุญกุศลรรับคุณงามความดีจากเขาด้วยนะ ถ้าเรียนไปแล้วมันฉลาดมันคตรมันโกงมันเป็นนักเลงหัวไม้เออเอาทางหนีทีไล่ไปทางชั่วเน่ยอันนั้นเราก็ไม่รับไม่รับรู้ด้วยอีกเหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองเหมือนกันนาเพราะนั้นถึงยังไงเราก็เอาทางดีไว้ก่อนเอาทางดีทางเลวเราไม่เอาคิดดีทดําดีพูดดีคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเราไม่ควรจะเดินตามสายนั้น เราก็ควรจะคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความสุขถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วมีแต่หนทางแห่งความจิบหายอันละพรในตเนนเนออนุโมทนาให้พร